จนเนื้อตัวสั่นเร่เพิ่มตั้งคันรู้วันนำหน้าว่าเมนเตรียมการแก กยายให้รี ทุกคนเป็นแม่ปราธนาแท้ดูแลให้หยุกสดใสให้ได้ทุกสิ่งให้จริงจากใจเกิดเหตุเทศไัย เก็บญ่ให้เรียนเรียนศึกษากันจบทางสร้างฝันแม่นั้นก็คอยชื่นชมลูกดีมีสุข จนทุกคนเป็นแม่ปราถนาแท้ดูแลให้ลูกสดใสให้ได้ทุกสิ่ง